เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบ้านศาภูบาสุภูบาศิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สกมกราคองพุทธศักราชสองพเป็นวันพระวันธรรมวัชวันญวันฝ่าธรรมเป็นวันที่พวกเรา จะมาสาร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องก็เหมือนกับมีแผนที่ที่ถูกต้องถ้าเราเดินทางถ้าเรามีแผนที่ที่ไม่ตรงกับความจริงเราก็จะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้เพราะแผนที่บอกอีกอย่างหนึ่งความจริงเป็นอีกอย่างหนึ่ง ชั้นใดชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางพวกเรากำลังเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันนั่นก็คือความสุขที่ถาวรความสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ที่ถาวรแต่ทุกวันนี้เรายังเดินไปไม่ถึงเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เดิน หรือว่าเรามีแผนที่ที่ผิดแผนที่ที่ผิดก็จะทําให้เราไปสูงจุดปลายปลายทางที่ผิดได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นผู้ที่มีแผนที่ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าได้เดินทางตามแผนที่ของพระองค์จนได้ถึงไป จนได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเลิ่อันประเสริฐก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดพร้อมกับความสุขที่ท้าววงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าปรมังสุขขังเป็นบรลมสุขพวกเราเรายังไปไม่ถึง ตรงนี้ยังไปไม่ถึงปรามังสุ ข, ขังยังไม่ได้ยุติการเวียนว่าตายเกิดอยู่เพราะพวกเรายังไม่มีแผนที่ที่ถูกต้องแผนที่ที่จะทำนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องนั่นเองการเข้ามาหาพระพุทธศาสนามาฟังพระธรรมคำสอนของทศเจ้า จึงเป็นการศึกษาแผนที่หรือมาหาแผนที่ที่ถูกต้องเอาไปเป็นผู้นําทางชีวิตของเราถ้าเรานําเอาแผนที่ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาเดินตามรับรองได้ว่าเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนาที่พวกคนพวกเราทุกคนอยากจะไปกัน ดังนั้นการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจึงเป็นการกระทำที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาก็ว่าได้เป็นเหมือนกับการเรียนกอไก่ขอไข่ก่อนที่เราจะอ่านออกเขียนได้ก่องที่เราจะเข้าใจความหมายของหนังสือที่เราอา่านเราต้องรู้จักกอไก่ขอไขก่ก่อน ถ้าเรายังไม่รู้จักกอไก่ขอไข่เราก็จะไม่สามารถเขียนหรืออ่านหนังสือได้ชั้นใดก่อนที่เราจะออกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐได้เราก็ต้องอ่านแผนที่ให้เป็นก่อนอ่านแผนที่มีแผนที่ที่ถูกต้องให้เราอ่าน เราจึงตั้งมาฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันพระตามที่พุทธเจ้าได้ทรงบรัญญัติไว้เพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธ ร, รมมวัฒนังเอตัมมังกลลตตะมังการฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง ตามการตามเวลาก็คือตามวันธรรมวสวณะนี้เอคำว่าธรรมวสวาณะนี่ก็แปลว่าการฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงบรัญญัติวันธรรมวสวณะให้พุทธศาส น, นิกชนได้มีโอกาสปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้มาศึกษาแผนที่ที่จะนำพาชีวิตไปสู่ จุดหมายปลายทางที่เลิกที่ประเสริฐวันพระจึงได้กำหนดไว้อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกเจวันหรือ8วันในสมัยโบราณเราใช้ปฏิทินจันทลคติตามวันขึ้นแลของพระ จ, จันทร์เราก็จะมีวันพระในวันขึ้น8ปดค่ำขึ้น15บห้าวันพระในวันแรง8ดค่ม ในในวันแรกสิบห้าค่ำหรือ14บ่ค่ำอันนี้เป็นวันพระที่ได้กำหนดไว้ตามจันทรคติแต่ในสมัยปัจจุบนันนี้เราใช้ปฏิทินตามชูริยะคติคือตามโคโจรของดวงอาทิตย์เราแบ่งปีหนึ่งไว้เป็น12เดือนเดือนหนึ่งนี้แบ่งไว้30วันบ้าง 30วันบ้า น, านตามตามรอบของการโคจรของดวงใจแล้วเราก็แบ่งอาทิตย์ไว้เจ็วันด้วยกันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็มีกำหนดวันหยุดพักผ่อนหยุดภารกิจการงานตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนื่องจากเราอยู่ในโลก โลกาภิวัตน์คือเราไม่ได้อยู่ตามลำพังเราต้องติดต่อธุรนชจิตติดต่ออะไรต่างๆกับโลกประเทศชาติต่างๆในโลกนี้ซึ่งส่วนใหญ่เขาใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นหยุดวันทำงานเราก็เลยต้องหยุดตามเขาไปยังนั้นวันท้าของเราในสมัยปัจจุบัน ก็จะไม่ตรงกับวันหยุดของเราเสมอไปมีนานานสักครั้งหนึ่งก็จะมาตรงกันอย่างวันนี้วันพระมาตรงกับวันเสาร์ <c oughs> ก็เป็นวันที่เราได้เข้าวัดกันได้เพราะเราไม่ต้องไปทำงานแต่ถ้าเราอยากจะทำให้เรามีวันพระทุกกะทิดเราก็สามารถทำได้ด้วยการกำหนด วันพระขึ้นมาเองคือเรากำหนดวันพระของเราว่าจะเป็นวันที่เราหยุดทาลานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าเรื่องของวันนี้ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจะทำอะไรในวันพระถ้าเราทำบุญใส่บาทรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเราก็มีวันพระได้ ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ได้เพราะสาระสำคัญของวันพระก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรานี้เองดังนั้นถ้าเราถ้าวันพระในทางจันทรคติไม่ตรงกับวันหยุดของเราเราไม่สามารถมาวัดได้ในวันนั้นเราก็ใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระของเราแทนก็ได้โดยเฉพาะที่วัดนี้จะมีกิจกรรมเหมือนกัน ในวันเสาร์อาทิตย์ในวันพระจะมีพระมารับบามีญาติโยมมาใส่บามีการฟังเทศน์ฟังธรรมมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติธรรม mm hmm. ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะดำเนินตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้าทรงได้กำหนดไว้เราก็ต้องมีวั น, วนพระอย่างน้อยก็ อาทิตย์ละหนึ่งครังจะเป็นวันพระตามวันแรงขึ้นก็ได้ขึ้นวันแรงวันขึ้นก็ได้หรือจะเป็นวันพระตามวันหยุดของเราถ้าเราหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็เอาวันเสาร์วันอาทิตย์มาเป็นวันพระของเราถ้าเราหยุดวันจันทร์วันอังคารเราก็เอาวันนั้นเป็นวันหยุดของเราก็สาราสาคัญของการวันพระก็คือให้เราฟังเทศฟังธรรม ให้เราคอยดูแผนที่เหมือนกับเราขับรถไปนี่ไปในทางที่เราไม่รู้เราก็ต้องคอยเปิดแผนที่ดูอยู่เรื่อยๆว่าเราไปถูกทางหรือไม่ถ้าเราไปไม่ถูกทางเราจะได้เรี้ยวกลับแล้วก็กลับไปทางที่ถูกได้ถ้าเราไม่ดูแผนที่เลยแลวเราคิดว่าทางที่เราเดินไปนี้เป็นทางที่ถูกทั้งๆที่มันไม่ใช่เป็นทางที่ที่ถูก เราก็จะไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้นั่นเองดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นการคอยดูแผนที่อยู่เรื่อยๆเพื่อให้การเดินทางของเรานั้นไม่หลงไม่ผิดทางนั่นเองนี่คือสาระของเรื่องของการมาวัดในวันพระมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ แปล ว, ว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือว่าทางนี้ถูกแล้วไปเดินไปทางนี้ต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกเราเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไปมาแล้วไปถึงแล้วแล้วท่านก็เขียนแผนที่นี้มาฝากพวกเราดังนั้นถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องนำทางเราก็จะมีความมั่นใจได้ว่า เราจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการไปอย่างแน่นอนความเห็นที่ถูกต้องที่สำคัญที่สุดข้อที่หนึ่งก็คือความเห็นว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่าง แล้วพอทําไปแล้วก็จะเกิดผลตามมาผลก็คือดีหรือไม่ดีหรือไม่หรือเป็นกลางกางมีอยู่สามอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําของเราถ้าเราทําบุญอย่างวันนี้ผลดีก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราถ้าเราทําบาปผลผลไม่ดีก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราถ้าเราทํา สิ่งที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาปผลดีหรือผลไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานี่คือสามมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าเมื่อเราทำแล้วจะมีผลกับจิตใจของเราจิตใจเราจะสมขึ้นหรือจะต่ำขึ้นจะต่าลงจะมีความสุขมากขึ้นหรือจะมีความทุกข์มากขึ้นเมื่อตายไปแล้ว ร่างกายตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็เป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลของบุญและบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้เวลาที่ตายนี้ผลบุญกับผลบาปจะมาแย่งใจไปถ้าผลบุญมีกำลังมากกว่าผลบุญก็จะดิงใจไปสู่สวรรค์ไปสู่ความสุขความเจริญ ถ้าผลบาปมีกำลังมากกว่าผลบาปก็จะดึงให้ใจไปสู่อบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความเสือ่อมนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องห็นว่าหลังจากที่ร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเรานี้ตายไปแล้วเราที่เป็นใจนี้ยังจะต้องไปต่อ ไปจนกว่าเราจะสามารถหยุดสิ่งที่ผลักดันให้ใจของเราไปเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดไปใช้กรรมในสวรรค์หรือไปใช้กรรมในอบ า, ายสิ่งที่ทำให้ใจของเราไปเกิด mm hmm. ก็าพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก็คือความอยากของเราความอยากในรูปเสียงกิ่นรสอยากดูอยากฟังอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอยากจะหาความสุขจากการน่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้นี่เรียกว่ากามากตัณหาความอยากในการถ้าเรายังมีความอยากในการใจของเราก็ยังจะตะเกียกตะกายไปเกิดใหม่เพราะเราต้องการมีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเอง ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ได้นี่คือตัวที่จะผลักดันให้เรามาเกิดมามีร่างกายและยังมีอีกสองความอยากที่จะทำให้เราไปเกิด คือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากมีนั่นอยากมีนี่และข้อที่สก็คือวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่จนอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเรามีความอยากทั้งสามอย่างนี้อยู่ในจัจ เราก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่หลังจากที่เราตายไปแล้วพอตายไปใจของเราก็จะถูกบุญหรือบาปพร้อมกับความอยากของเราถลักดันไปไปตามบุญตามบาปแล้วก็หลังจากที่หมดบุญหมดบาปหรือบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันไม่สามารถที่จะดึงให้ไปทางใดทางหนึ่งดึงไปสวรรค์ก็ไม่ได้ ดึงไปอบายก็ไม่ได้ตอนนั้นเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาได้ร่างกายมนุษย์แล้วก็มาทาอย่างที่พวกเราทากันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเรามีแผนที่เราก็จะทําตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราไม่มีแผนที่เราก็จะทําตามความหลงเป็นผู้สั่งสอนเราความหลงนี้จะสอนให้เราหลง เห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงแจกเป็นดอกบัวเห็นเห็นทุกว่าเป็นสุขอะไรเราที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าก็ลาบลดสรรเสริญกับรูปเสียงกีลิ่นรสต่างๆที่พวกเรากำลังแสวงหากันอยู่นี่แหละเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่าเราต้องดิ้นรนต่อสู้กว่าที่จะได้ลาบลดสรรเสริญ ได้ความสุขทางตาหูจมูนลิ้นกายมาและพอเราได้มาแล้วเราก็ต้องมาทุกกับการคอยดูแลรักษาเราก็ต้องทุกกับความหวงทุกกับความห่วงและเราก็จะต้องมาทุกกับความเสียใจเวลาที่สิ่งที่เรารักที่เราหวงที่เราห่วงนี้ต้องจากเราไป เพราะว่าลาบยศสารเสรน์และรูปเสียงกลิ่นรสนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วขราวมันมีเกิดแล้วมันมีดับเหมือนฟองน้ำฟองน้ำนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็แตกไปหายไปฉันใดลาบยศสารเสริ์พระรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในโลกนี้ ก็เป็นเหมือนฟองน้ำมันไม่มันไม่เป็นของถาวรเราได้มาแล้วเดียวมันก็หมดไปเราจึงต้องคอยหาใหม่อยู่ดเรื่อยเช่นเงินทองนี่หาได้เท่าไหร่มันก็ไม่มีไม่มีเหลือต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะว่ามันเสื่อมไปตามธรรมชาติ มันไม่เที่ยงเพราะเราใช้มันเราใช้มากเราก็ต้องหามากเราก็ต้องเหนื่อยมากต้องทุกมากแทนที่จะมีความสุขแทนที่จะอยู่อย่างเฉยๆอยู่เป็นสุขก็อยู่ไม่เป็นสุขเพราะเวลาอยู่เฉยๆก็มีอารมณ์โกุกกิยดเพราะอยากจะได้เงินอยากจะใช้เงินอยากจะเอาเงินมาใช้ซื้อเท้าของต่างๆ เอาเงินมาดื่มมารับประทานมาดูมาฟังมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่คือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันเรากลับมองเห็นว่าเป็นความสุขคิดว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขจะซื้ออะไรก็ซื้อได้จะใช้อะไรก็ใช้ได้แต่เงินทองนี่ดับความทุกข์ไม่ได้ดับความทุกข์เวลา สูญเสียเงินทองไปไม่ได้เวลาหมดเนื้อหมดตัวนี่เงินทองช่วยอะไรเราไม่ได้หรือว่าเวลาเราเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถเอาเงินทองมาดับความทุกข์ใจของเราได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าไปหลงกับลาบยศสรรเสริญกับลูกเสียงเก่งนุษย์โผฏฐา เพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงความสุขสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาทำจิตใจของเราให้สะอาดให้สงบให้หมดจากความอยากต่างๆเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดเพราะการเกิดนี่เป็นความทุกข์ เกิดแล้วก็ต้องดิน้นหลนเลี้ยงปากเลงทองทำมาหาจินแล้วก็ต้องดิ้นลนหาลาบยศรเสรซินหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดไม่มีความสุขที่หลงเหลือจากการหาสินต่างๆเหล่านี้เลยใจก็จะจากไปด้วยความหิวด้วย ด, ด้วยตันหาความอยาก ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาสนี่คือทางที่เรียกว่าผิดไม่ใช่ทางที่ถูกถ้าพวกเรากําลังเดินไปทางการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภก็สแสดงว่าพวกเรา มีแผนที่ที่ไม่ถูกแผนที่ที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นแานที่ที่กับตรงกันข้ามกับความเป็นจริงแทนที่จะชี้ให้เราไปสู่ความสุขความสิ้นทุกข์กับชี้ให้เราไปหาความทุกข์ไม่ได้ไปพาให้เราไปสู่ความสิ้นทุกข์นี่คือแผนที่ของพวกเราเราจึงต้องมาแก้แผนที่ของเราใหม่ ด้วยการเอาแผนที่ของพระพุทธเจ้าที่เป็นแผนที่ที่ถูกนี้พาเราไปแผนที่ของพุทธเจ้าก็มีอยู่สามขั้นให้ทําทางให้รักษาศีลให้ทําใจให้สะอาดตัดความอยากให้หมดไปจากใจถ้าทําได้แล้วเราจะได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียว่ายตายเกิด การทำทานก็เพื่อที่จะทาให้เรามีความสุขใจเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวเราคิดว่าเรามีความสุขใจแต่เป็นความสุขใจเดี๋ยวเดียวถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้มาทาทานเรากลับจะได้ความสุขมากกว่าเวลาเราทำทานเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นเขามีความสุขเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา เป็นความสุขใจที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวเราก็สุขเหนียวเดียวพอเรากลับมาแล้วกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ความทุกข์ที่อยากจะไปเที่ยวใหม่อยากจะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปทาทางแทนที่จะไปเที่ยวไปช่วยเหลือผู้อน เราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจเวลากลับบ้านเราก็ยังไม่ขิวยังไม่อยากที่จะไปไหนเรายังมีความอิ่มความสุขใจอยู่เวลาเราคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้ทางที่เราได้ทาไว้เราก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจทั้งๆ ท, ที่มันผ่านไปนานแล้วก็ตามเวลาเราคิดถึงบุญที่เราทำแต่ละครั้ง เราก็จะมีความอิ่มใจสุขใจอันนี้แล้วเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงด้วยการใช้เงินทองไปในการทำทานอย่าใช้เงินไปด้วยการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังเพราะเป็นการสร้างความหิวสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะหลังจากที่ไปทำมาแล้ว ก็จะเกิดความอยากที่จะไปทำใหม่อีกก็จะทำให้อยู่บ้างไม่ได้ก็ต้องใช้เงินอยู่เรื่อยๆใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอไม่อิ่ไม่เหมือนกับการทาทาน ท, ทาทานแล้วทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราไม่ต้องอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราก็จะมีเงินทองเก็บไว้ใช้ได้ใช้ในสิ่งที่จาเป็นได้ เราไม่ต้องทำงานมากก็ได้เพราะเราไม่ได้เ ร, ไไดเราไม่ได้ใช้เงินทอมากเราก็จะมีเวลามาทาสร้างความสุขข้อที่สองได้ก็คือมารักษาศีลได้มาละเว้นจากการทำบาปเพราะการทำบาปนี้จะทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจของเราทุกข์และทำให้ใจของเราต้องไปเกิดในอาบาย ถ้าเราทำทานแล้วใจของเราจะไม่อยากจะทำบาปเพราะการทำทานนี้เป็นการช่วยเหลือผูู้้ช่วยให้ผู้มีความสุขการทำบาป น, นี้เป็นการกระทำตรงกันข้ามกันการทำบาป น, นี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ผูู้้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้รถ้าคนที่ทำทานแล้วจะไม่ชอบทำบาป ก็จะรักษาศีลได้ง่ายคนที่ยังไม่ทำทางนี้จะรักษาศีลไม่ได้เพราะยังอยากจะทำร้ายผู้อื่นู่ตราบใดที่การทำร้ายของตนทำให้ตนเองมีความสุขก็จะทำเช่นเวลาโกรธก็จะทำร้ายผู้อื่นเพราะคิดว่าทำแล้วจะทำให้ใจสบายขึ้นใจมีความสุขนั่นเอง แต่ความจริงทำไปแล้วกลับจะทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นก็ เ, เมื่อเราไปทำร้ายผู้อื่นก็จะสร้างเวรสร้างกรรมทำให้ผู้อื่นเขาคิดร้ายกับเราปองร้ายเราเขาก็จะพยายามหาวิธีทำร้ายเราต่อเราก็จะวุ่นวายเราก็จะกังวลเราก็จะทุกข์กับการที่จะถูกจองล่างจองผาบนั่นเอง แต่ถ้าเราไม่ได้ไปทําร้ายผู้ก็จะไม่มีผู้อื่นจะมาทําร้ายเราเราก็จะไม่ต้องมาทุกกับการกังวลว่าจะมีคนนั้นคนนี้มาทําร้ายเราหรือเปล่านี่คืออา น, นิสงส์ของการไม่ทําบาลจะทําให้ใจของเราสงบทําให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนมีความสุขมีความสบายใจ ดังนั้นเราหลังจากที่เราทำทานได้แล้วเราก็ต้องมารักษาศีลอย่าไปทำบาด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดกหไม่เสพชุลายาหมาถ้าเรารักษาศีลได้แล้วใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมากกว่าการทำทาน <c oughs> การทำทางนี้อาจจะให้ความสุขเรา สิเท่าถ้าเรารักษาศีลได้ก็จะให้ความสุขกับเราร้อยเท่าแล้วถ้าเราอยากจะให้มีความสุขเป็นพันเป็นหมื่นเท่าเราก็จะต้องมาทําใจให้นิ่งให้สงบเราก็ต้องมาภาวนาทํ า, นานทจิตใจให้สงบให้ได้ถ้าจิตใจสงบ ก, ก็จะได้ความสุขเป็นพันเป็นหมื่นเท่านี่คือเรื่องของ การเดินทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงไปสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายต้องทำด้วยการทำทางรักษาศีลแล้วก็ภาวนาการภาวนานี้ก็แบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันเรียกว่าสมาธิและปัญญาขั้นสมาธิก็คือทำใจให้นิ่งให้สงบหยุดความคิดตุงแต่าง ความคิดของเราเป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปตามท้องถนนถ้าเราอยากจะหยุดพักผ่อนเราก็ต้องหยุดรถจอดรถอยู่ข้างทางเราถึงจะพักได้เช่นเราอยากจะเข้าห้องน้ำเราอยากจะรับประทานอาหารอยากจะหลับสักนิ่หนึ่งถ้าเราปล่อยให้รถวิ่งไปเราก็ไม่สามารถทำสิ่งที่เราอยากจะทำได้ไดังใดใจของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราอยากจะให้ใจของเราพักผ่อนให้มีความสุขให้มีความสงบเราก็ต้องหยุดความคิดให้ได้วิธีที่จะหยุดความคิดให้ได้ก็คือเราต้องใช้สติเหมือนกับเราใช้เบรกสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เวลาเราจะหยุดรถยนต์เราต้องเหยียบเบรกเหยียบไม่ปล่อยเหยียบไปจนกว่ารถจะหยุดเราถึงจะปล่อยเบรกได้ เช่นใดถ้าเราอยากจะหยุดความคิดเราก็ต้องใช้สติเป็นตัวเบรคสตินี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันเราสามารถเลือกใช้ได้ตามคามพอใจของเราส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็คือพุทธานุสติก็คือให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเช่นให้ท่องคำว่าพุทโธพุทโธไปอย่างนี้เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเราอยากจะใช้ธรรมานุสติ เราก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นบทสวดมนต์ต่างๆที่เราสวดกันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอิติปิโสอรหังสัมมาสวาชาโตสุปฏิปันโนถ้าเราท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเราก็จะหยุดความคิดได้เราจะหยุดความคิดถึงเรื่องการหาเงินหาทอง เรื่องของการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเรื่องของการไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ถ้าเราท่องพุทโธไปท่องคาถาคําสองของพระพุทธเจ้าไปเราก็จะไม่ไปคิดเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจของเราก็จะว่างจะสงบได้พอใจสงบเราก็จะมีความสุขที่ในระดับบื้อเท่า ความสุขของทาง น, นี้เพียงสิบเท่าความสุขของศีลนี้เพียงพันเท่าร้อยเท่าแต่ความสุขของสมาธินี้เป็นหมื่นเท่านี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพุ่งเป้าไปนี่คือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปถ้าเราอยากจะมีความสุขไม่มีความทุกข์เราต้องนั่งสมาธิให้ได้ แล้วถ้าเราอยากจะให้ความสุขของเราที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้เป็นความสุขที่ถาวรเวลาเราออกจากสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยรักษาเพราะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาความสุขที่ได้จากสมาธิเดี๋ยวก็จะหมดไปเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ว่าอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยาก หาลูกเสียงกิ่นนสเพราะความอยากนี้จะทาลายความสงบทำลายความสุขที่เกิดจากสมาธินี้เองนี่คือปัญญาที่เราจะต้องคอยหยุดความอยากของเราทุกครั้งที่เราอยากจะดื่มอยากจะรับประทานในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องดื่มต้องรับประทานเราก็ต้องอย่าดื่มอย่ารับประทานถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ให้ดื่มตามเวลา เหมือนกับรับประทานยาถึงเวลาถึงค่อยดื่มถึงค่อยรับประทานถ้ายังไม่ถึงเวลาก็รอไปก่อนเพราะว่าถ้าเรารอเราหยุดได้เราจะมีความสุขมากกว่าเราจะรักษาความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิได้ถ้าเราไม่รักษาพอเราอยากแล้ว เ, เราทาตามความอยากความอยากก็จะสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ว่าเราจะอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนี่คือหลักการของการดำเนินชีวิตเพื่อให้เราได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือเราต้องมีแผนที่เราต้องเดินตามแผนที่ที่ถูกต้องแผนที่ที่ถูกต้องก็คือสัมมาทิจิต ความเห็นชอบที่จะเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี่เองเราจึงต้องมีวันพระวันธรรมมสวัสวันฟังธรรมวันที่เราต้องมาดูแผนที่กันว่าตอนนี้เราเดินตามแผนที่หรือไม่นั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเพื่อให้มีแผนที่ที่ถูกต้องนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพิดพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่ถาวรและความดับทุกข์ที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศีรันตนไกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้